นี่มาขึ้นอาเสขภากิยสูตรเรียกว่าอยู่ในส่วนของพระอเสขอเสขาแปลว่าอะไรเศขาธรรมะเศขาธรรมะเนวะเศขานาเศขาธรรมะเศขาธรรมะก็คือทำของผู้มีศิกษาอันเจริญหรือเจริญศิกษานั่นเองเจริญอธิศีลสิกษาที่จิตสิกษาและอธิปัญญาศิกษาส่วนอาเสขาธรรมะหรืออาเสขาธรรมหมายถึงผู้ที่ทําการศึกษาเสร็จแล้ว หมายถึงศึกษาจบแล้วเนี่ยนะจบอธิศินจบอธิจิตจบอธิปัญญาแล้วที่เรียกว่าพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีพระสูตรที่กล่าวถึงคุณธรรมของท่านเหล่านี้แหละเรียกว่าอาเศาาคารักยสูตรซึ่งต่างจากปุตุชนที่รว่าเนี้ยอะไรนะเนวเสขานาเสขาเนี่ยนะก็เนเสขาณนะาเสขานะแปลเป็นภาษาไทยว่าณนะเสขาก็ไม่ใช่พระเสขานะ พะอาเสคาก็บอกไม่ใช่พระอรหันต์เป็นพระอริยบุคคลโสดาบันเป็นต้นก็ไม่ใช่พระอรหันต์ก็ไม่ใช่ก็คือใครอก็คือคนที่ไม่ใช่ทั้งสองคนนั่นแหละที่เหลือนั่นแหละะพระสูตรที่กล่าวถึงคุณธรรมหรือส่วนของพระอเศคารดังกล่าวเรียกว่าอาเศคาภากยสูตรยกตัวอย่างบอกว่า จิตของผู้ใดตั้งมั่นไม่หวั่นไหวดุดภูเขาหินไม่กำหนัดในอารมณ์อันชวนให้กำหนัดไม่ขัดเคืองในอารมณ์อันชวนให้ขัดเคืองผู้ใดอบรมจิตได้อย่างนี้ทุกจะมาถึงผู้นั้นแต่ที่ไหนใครที่มีจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นด้วยอะไรดีอุปจาระสมาธิและอัปปนาสมาธิโดยเฉพาะอัปปนาสมาธิที่เป็นอรหัตตผลสมาธิเนี่ยนะถ้าได้อรหัตตผลสมาธิ อรหัตผลสมาบัติท่านเหล่านี้เนี่ยนะก็บอกว่าเปรียบเหมือนอะไรภูเขาหินแท่งทึบแท่งทึบเปรียกว่ามไม่สะเทือนด้วยลมที่พัดมาจากทิศ ท, ท, ท, ทั้งสี่ท่านก็เหมือนกันท่านไม่กำหนัดในอารมณ์ที่ชวนให้กำหนัดไม่ขัดเคืองในอารมณ์ที่ชวนให้ขัดเคืองถามว่าอารมณ์ชวนให้กำหนัดอารมณ์ชวนให้ขัดเคืองเป็นอย่างไรลาบทั้งหลายยศทั้งหลายสรรเสริญทั้งหลายความสุขทั้งหลายเป็นอารมณ์ชวนให้ กำนัดความเสื่อมลาบความเสื่อมยศการได้รับการนินทาความทุกข์ทั้งหลายเป็นเหตุให้ขัดเคืองผ้าหัน์ทั้งหลายง่ายๆก็คือท่านไม่มีอภิชาและโทมนัตอภิชาเกิดจากลาบสรรเสริญสุขและยศโทมนัตเกิดจากเสื่อมลาบเสื่อมยศได้รับการนินทาและความทุกข์ผ้าหัน์ท่านเห็นว่ามันไม่ได้ต่างกันเลยโลกธรรม ท, ทั้ง8ดไม่มีความต่างกัน เพราะคำว่าลาบอยู่ที่ใดเสื่อมลาบก็อยู่ตรงนั้นได้ที่ไหนก็เสื่อมตรงนั้นแหละถ้ามียศที่ใดเสื่อมยศก็มีที่นั่นแปลว่าถ้ามีพวกกับไม่มีพวกมันก็อยู่ใกล้กันนั่นแหละถ้าได้รับคําชมกับคําด่าก็อยู่ใกล้กันนั่นนะวาจาเดียวกันนั่นแหละถามว่าแล้วความสุขกับความทุกข์นะสบายเนี่ยอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ร่างกายปวดเมื่อยอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นนั่นแหละสรุปว่าท่านมองเห็นทั้งสองด้าน มองเห็นทั้งลาบและความเสื่อมลาบเมื่อเจอลาบท่านก็รู้จักคําว่าเสื่อมลาบเป็นต้นถ้าได้รับยศท่านก็รู้จักคําว่าเสื่อมยศและถ้าได้รับความสรนเสริญท่านก็รู้จักด้วยว่านินทาคืออะไรถ้าได้รับความสุขท่านก็รู้ว่าความทุกข์ท่านปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดในโลกกระทำทั้ง8ดเมื่อท่านปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายในโลกธระททั้งแปดโลกกระททั้ง8ดใดๆจะประสบกับท่าน ท่านก็ไม่กำหนัดในโลกกระทำฝ่ายดีไม่ขัดเคืองในโลกกระทำฝ่ายร้ายท่านมั่นคงดุดภูเขาท่านจะรับอารมณ์ใดท่านก็บอกวมเสมอกันเหมือนอย่างว่าบุคคลจะเอ า, ข, เอาของสกปรกหรือเอามีดพระเป็นต้นไปถากข้างหนึ่งของพระพุทธเจ้าอีกข้างหนึ่งเอาดอกไม้ของหอมเป็นต้นไปรูปไร้พระองค์บอกว่ามันเท่ากันพระองค์ไม่ยินดีในฝ่ายดีแล้วก็ไม่ยินร้ายใน ฝ่ายชั่วเพราะพระองค์เป็นผู้ที่พุทธะโลกธรรมเมหิจิตตังยะสานกรรมปฏิอโศกังวีรชังเคมังเอตัมมังคามุตตะมังเนยนะจิตของผู้ใดอันโล ก, กธรรมทั้งแปดถูกต้องแล้วไม่หวั่นไหวพุทธะโลกธรรมเมหิจิตตังยะสานกรรมปฏิจิตรับกระทบโลกธรรมทั้งแปดแล้วไม่หวั่นไหวอโศกังไม่เศร้าโศกวีรชังวีรชังก็คือปราศจากธุลีเคมัง กเกษมแปลว่าปลอดภัยไม่มีภัยอยู่เลยเอตัมมังค า, ามุตตะมังนะระผ้ายะบุคคลเหล่านั้นเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่ประสบมงคลคือเหตุแห่งความสุขความเจริญที่สูงสุดคําพูดอันนี้หมายถึงอเสขะภาคิยาวะผ้าหันนนั่นเป็นอย่างนี้นะดีไหมถ้าเป็นแบบนี้ใครที่มีคุณธรรมแบบนี้ไม่เสียใจในบอกอะไรนะอานี่นะถ้าเราไม่มีอะไรชอบแล้วก็ ม, มีอะไรน่าชังเลยนะชีวิตมันจะมีความสุขได้ยังไง ไรรสชาติสิ้นดีใช่ไหมแสดงมารู้จักสุขทุกน้อยไปรู้จักโลกกระทำน้อยไปรู้จักโลกกระทำเนี้ยน้ําตาไหลพรากอ่ะนะเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจอ่ะนะถ้าเก็บภาพเอาไว้ไม่ไม่มีอะไรละเอียดนะเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยกร้องไห้อ่ะนะเก็บภาพพี่บันทึกวิดีโอเอาไว้นะเดีก็นั่งหัวเราะเดี๋ยกร้องไห้เดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยกร้องไห้ขำตายเลย่ะ ถ้าถ้าไม่มีเรื่ององค์ประกอบนนคำแน่นอนอีกพักหนึ่ง น, น้ำตาไหลพักอีกพักหนึ่งก็หัวเราะคิดคิดคิดแตโลกกระทำก็อย่างนี้แล้วคิดอะไรมากอีกโสดหนึ่งคําว่าพึงกระทําไวยากรณ์อันมีจริกาเป็นที่สิบแก่ท่านพระสารีบุตรนี้ชื่อว่าอาเสขภาคยะ เอกทานหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลใดลอยบาปประธรรมทิ้งแล้วชื่อว่าเป็นพรามไม่ตะวาดผู้อื่นว่าหึงหึงเนี่ยนะไม่มีกิเลสดุดย้อมน้ำฝาดสํารวมตนถึงพระนิพพานอยู่จบพรหมจรรย์บุคคลใดไม่มีกิเลสที่ฟูขึ้นในอารมณ์ไหนไหนในโลกบุคคลนั้นพึงกล่าวได้โดยทํามว่าตนเป็นพรามคือก็มีพรามที่คนหนึ่งเามานะมาก แล้วก็ชอบใครว่าตวาดอ่ะนะตะวาดเนี่ยเฮงเฮงเนี่ยมันภาษาเราอ่ะนะภาษานะั้นไม่รู้ตวาดยังไงสรุปว่าฟังแล้วไม่เพลาะนะใครฟังแล้วเครียดเลยนะถูกตวาดตลอดเลยนะไปที่ไหนก็ตวาดไอ้ที่เป็นคนมักตวาดก็เนื่องจากว่าเป็นคนมีมานะมากวันหนึ่งหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่นานเ้าก็เข้าไปเฝ้าพระสมณะโคโดมผู้เจริญนะบุคคลเนี่ยเป็นเช่นใดจึงเรียกว่าเป็นพรามณคนที่เป็นพรามณ์มีคุณธรรมเช่นใด ปองก็บอกใครที่ลอยบาปลอยราคะาลอยโทสะลอยโมหะแลว้วแล้วก็ไม่ต้องตวาดผู้อื่นด้วยนะรอยพราหมณ์คนนั้นเขาเป็นพราหมณ์โดยชาติแล้วก็ชอบตวาดคนอื่นเพราะว่าถ้าพราหมณ์แท้นี่ยเขาไม่ตวาดคนอื่นนะแล้วก็ไม่ตวาดไม่ใช่อย่างเดียวแล้วไม่มีกิเลส ท, ที่ย้อมเหมือนน้ําฝาดกิเลส ท, ที่เหมือนน้าฝาดเนี่ยนะกษัตเนี่ยก็คือเหมือนกับน้าย้อมอะ่ะไม่มีกิเลสเหมือนน้าย้อมย้อมอยู่ในใจ สำรวมตนด้วยอธิศีลและอธิจิตถึงพระนิพพานอยู่จบโซดาปฏิมักกับพรหมจันทร์สกธาคามิมักอนาคามิมักและอระหัตตมักกับพรหมจันทร์ผู้ที่สำรวมด้วยศีลอยู่จบพรหมจันทร์ถึงพระนิพพานอย่างนี้ไม่มีกิเลสคือราคาที่ทําให้ฟูขึ้นในอารมณ์ไหนไหนราคามันก็ฟูเหมือนกันนีได้รับคําชมเคยไหมพองเลยราคาประฟูโทรศัพท์ก็ฟูมันหมายรู้จักเราน้อยไปเนี่ยนะ โทรศมันก็ฟูเหมือนกันนะเดี๋ยวแต่และนะเดี๋ยวจะแนะนําให้เขารู้จักเราสัหน่อยใช่ไหมโทรศพท์มันฟูขึ้นมาน้อยเล็กนะมันฟูขึ้นมามามาันรู้จักเราน้อยไปอย่างเงี้ย น, นะแล้วก็ไอ้ตัวฟูอีกอันหนึ่งคือโมหะเนี่ยนะโมหะมันฟูนี่ไงเคยเห็นเด็ ก, ดกนะกว่าลักษณะของเด็กๆ ก, กินแล้วไปเล่นเล่นนะกินไปเล่นลนั่นแหละลักษณะฟูด้วยโมหะรู้เท่าว่าเล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เป็นอะไรฟูด้วยมานะเป็นตน้นเพรัะผู้ที่ไม่มีกิเลสเครื่องฟู ในทุกเรื่องไมมว่าอารมณ์เหล่านั้นจะคืออะไรทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะธรรมอารมณ์ทั้งหลายไม่เป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะโมหะมานะของท่านเลยคนที่มีคุณธรรมคือลอยบาปไม่ตวาดคนอื่นไม่มีกิเลสดุดน้ำฝาดสํารวมตนถึงนิพพานอยู่จบพรหมจรรย์ไม่มีกิเลสเครื่องฟูใครที่มีคุณธรรมอย่างนี้แหลควรจะเรียกตนว่าเป็นพรามนพรามพามแท้ กับพราหมณ์เขาว่าพราหมณ์โดยโดยชาติสกุลกับพราหมณ์โดยข้อปฏิบัตินะพราหมณ์โดยชาติสกุลไม่ประเสริฐพราหมณ์โดยข้อปฏิบัติเป็นบุคคลผู้ประเสริฐอันนี้ก็เป็นพระสู่ที่พระองค์ตรัสกับพราหมณ์ในอะไรนะหูง ห, ง, ห, ง, หงกับพราหมณ์เนี่ยนะหงกับหูหงกับพราหมณ์ที่ที่ในแรกตรัสรู้ใหม่ๆที่ต้นอาชาปะละนิโครธที่โคนต้นต้นไทรที่ที่พวกชาวแพะไปพักันะแถว าตาบลอุรุเวลาเสนานิคมที่เราเรียกว่าพุทธคยาเอกโซดหนึ่งบอกว่าพระพุทธเจ้าเหล่าใดลอยบาปประธรรมทิ้งแล้วสิ้นสังโยชนแล้วมีสติอยู่ทุกเมื่อพระพุทธเจ้าเหล่านั้นแลชื่อว่าพราหมณ์ในโลกอันนี้ก็คือลอยบาปประทมนะลอยบาปก็คือลอยสิ่งที่เศร้าหมองลอยสิ่งที่เลวร้ายที่เราเรียกว่าลามกเนี่ยนะสิ้นแล้ว เราลอยความชั่วในตัวสิ้นแล้วแล้วก็สิ้นสังโยชน์เครื่องเกาะเกี่ยวได้หมดแล้วสังโยชน์ที่เหมือนกับโซ่ตรวนเนี่ยนะชอบอะไรนะสติปัฏฐานนะก็เรียกว่าสังโยชน์สิบทลักออกมาทางทาวารตาเนี่ยนะแปลว่ามองเห็นปั๊บแผ่แผรัศมีเลยอะไรนะแผ่ตะข่ายเลยสิบเส้นมัดไว้ด้วยมัดด้วยโทสะมัดด้วยโมหะเป็นต้นเนี่ยนะหูได้ยินเสียงแวบหนึ่งก็แผ่สังโยชน์เลยนะสิบเส้น ทุกทวารเลยนะแผ่สังโยตหมดแล้วมันไม่ใช่แผ่ขณะเดียวใช่ไหมถ้าขณะเดียวก็ดูไม่ยุ่งเท่าไหร่นะแค่หกสิบเส้นนี่มันแผ่ทั้งวันทั้งคืนโดยที่มันจะเท่าไหร่เรื่องนะถ้าไม่ใช่ดาบคืออริยมรรคมันจะตัดยังไงเนี่ยนะอยู่ครั้งหนึ่งไ อ, ไอ้ไปขึ้นบนรถนะนะั่นเามีพวกโซ่ที่มันล่ามเคยเห็นไอ้ล้อกลมๆแบบเป็นแผ่นเหล็กที่เขาโมน้นโมกลมๆหรือท่อก็แล้วกันเนี่ยเขาจะรัดโซ่เป็นอย่างดีเลยใช่มตรึงตรึงสี่ทิศเลยแหละเพื่อจะได้ไม่กลิ้งตก แต่ว่าโอ้นั่นแค่สนี่ตั้งสิบอ่ะลืมตาปั๊บเนี่ยมัดไว้เลยสิบเส้นหูได้ยินเสียงก็มัด10เส้นจมูกรูก้เล่นก็สิบเส้น ล, ลิ้นรับรู้รสก็สิเส้นกายรับกระทบก็สิบเส้นใจคิดไปก็สิบเส้นเมื่อไหร่มันจะหลุดออกเนี่ย น, นะมัดแน่นขนาดนี้เนี่ยนะเขามัดเอาไปไหนมัดไปสู่ชาติชารามรณะเนี่ย น, นะชาราชาราครอบงําพญาทิอะไรนะชารานําไปพญาทิครอบงํามรณะห้ามหั น, น, นนะอยังไงก็ไหลไป เอาไปประหารนักโทษประหารนะดูได้ว่าอะไรนะถูกเครียนเหมือนกันเอาโซ่ทองเครียนกับเอาไม้เครียนอะ น, นั้นมันจะเจ็บกว่ากันก็พอกันนั่นแหละขึ้นชื่อว่าถูกเครียดฉันใดผู้ที่อยู่ในวั ต, ตะจะอยู่ในฐานะใดตำแหน่งใดมันก็ชาติชรา ม, มรณะเนี่ยนะตายแล้วอยู่ในโรงทองหรือว่าตายู่แล้วอยู่ในข้างถนนมัไอ็าตายเหมือนกันนั่นแหละมัน ถ้าหากว่าลอยนะมาทบทวนว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ลอยบาปสิ้นสังโยชน์ที่ทำได้อย่างนั้นก็เนื่องจากมีสติคำว่าสติเนี่ยท่านบอกว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเป็นธรรมที่มีอุปการะในที่ทั้งปวงมันเมื่อผู้ที่มีสติก็จะมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าผู้มีสติอันนี้ยกตัวอย่างคือสติจริงๆแล้วพระองค์มีทั้งอะไรนะมีสติอย่างเดียวหรือ บอกยกสติอย่างเดียวก็พอแล้วแสดงว่าพระองค์เนี่ยคุณธรรมทั้งมวลพุทธคุณทั้งหมดมาหมดแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นี้แหละเรียกว่าเป็นพราหมณ์อีกสูตรหนึ่งบอกว่าพระนิพพานเนี่ยนะไม่มีดินไม่มีน้ําไม่มีไฟไม่มีลมพระนิพพานนั้นไม่มีดวงดาวสองแสงไม่มีดวงอาทิตย์สองแสงไม่มีดวงจันทร์สองแสงแต่พระนิพพานก็ไม่มืดท่านิพพานมื ด, ม, ดมืดนะทุกคนหลับ ปิดไฟหมดก็น่าจะบรรลุกันหมดใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่นิพานไม่มีดินน้ําไฟลมไม่มีดวงดาวสองแสงดวงอาทิตย์สองแสงดวงจันทร์สองแสงแล้วก็ไม่มีความมืดอา้าวไม่มีไอ้คาว่า ม, มืดเนี่ยมันใช่กับสิ่งที่เป็นไปกับดินน้ําไฟลมเมื่อไม่มีดินน้ําไฟลมจะเอาอะไรมามืดแต่ก็บรรลุผู้ที่บรรลุพระ น, นิพานก็ไม่มีใครกล่าวว่ามันมืดหรือมันสว่มันมืดมีแต่กล่าวคําว่าสว่าง จากคุ้งอุท ạ ปาธิยาณังอุท ạ ปาธิอาโลโกอุท ạ ปาธิอะไรนะยาณอุท ạ ปาธิวิชาเป็นต้นนี่ยเขาก็มีแต่ว่าแสงสว่างคือปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววันนี้ทุกสมุทัยหรือวันนี้นิโรธคือพระนิพพานเมื่อใดภิกษุลอยบาปประธรรมทิ้งแล้วรู้นิพพานด้วยญาณของตนเองถ้ารู้จักนิพพานก็พ้นจากรูปประทำนามธรรมรูปพ้นจากสุขและ พ้นจากทุกข์รูปธรรมก็หมายถึงรูปประพบนามธรรมก็หมายถึงพบที่เป็นอรูปประพบพ้นจากพบที่มีสุขแล้วก็พ้นจากพบที่มีทุกข์สรุปว่าถ้าทะลอยบาปแทงตลอดพระนิพพานด้วยญาณที่เรียกว่าอริยมรรคญาณก็พ้นจากนามธรรมรูปธรรมพ้นจากสุขพ้นจากทุกข์คำว่านามรูปเนี่ยนะอมความอะไรบ้างนามรูปเนี่ยนะนามรูปเป็นศัพท์ที่เรียกว่าไปขยายได้ไปการ ม, มาพบก็คือนามรูป รูปประพบก็คือนามรูปอรูป ah ประพบก็คือนามอสัญญสตาพบก็คือรูปพันคำว่ารูปรูปธรรมอรูปธรรมนี่มันอมความถึงพบสถ้ารู้พระนิพพานก็พ้นจากพบสามพ้นจากสุขและทุกขเพราะพระนิพพานเป็นสภาวะธรรมที่ไม่เจือด้วยเวทนาเวทนาเนี่ยเป็นตัวสุขตัวทุกขพระนิพพานไม่มีเวทนาเพราะจึงไม่มีสุขและไม่มีทุกขขณะเดียวกันพระนิพพานไม่ได้เป็นที่ตั้งแห่ง สุขทุกแบบโลกธรรมแต่เป็นที่ตั้งแห่งความสุขแก่ผู้รู้แจ้งแทงตลอดนี่นะพระนิพพานังปรมามังสุขขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งแต่ผู้ที่แทงตลอดพระนิพพานแล้วก็พ้นจากสุขและทุกขในเกี่ยวกับเรื่องกางทั้งหลายนี่ก็คุณธรรมของพระทหารก็คือผู้ที่รู้แจ้งพระนิพพานอีกคถาหนึ่งพระองค์ตรัสว่าเมื่อใดบุคคลที่ชื่อว่าเป็นพราหมณ์พูดถึงฝั่งในธรรม คืออุปาทานขันของตนเมื่อนั้นย่อมล่วงพ้นปีศาจและพ้นปีศาจคือกิเลสไม่กลัวเสียงร้องอกุละอคระอคุระอคุระอคระอคุละปกุล ะ, ล ะ, ล ะ, ล ะ, ละเนี่ยนะในอชาชะกลาป ะ, ะยะกเนี่ยนะในปีศาจที่เคยถ้าเรียนอุทานมาแล้วก็จะรู้ผู้ที่ถึงฝั่งในธรรมคืออุปาทานขันห้าของตนขันห้านี่เรียกว่าฝัง่ง ถ้าเรียกว่าฝั่งนี้นิพพานเรียกว่าฝั่งโน้นมันผู้ที่ถึงฝั่งโน้นที่พ้นจากอุปาทานขันห้านะอุปาทานขันห้าก็นนเป็นวัตตะตรงกันข้ามกับอุปาทานขันห้าเป็นวิวัตตะผู้ที่ข้ามจากฝั่งนี้ไปถึงฝั่งโน้นคือบรรลุพระนิพพานได้อย่างนี้เนี่ยนะผู้ที่บรรลุอย่างนี้สรุปก็คือแทงตลอดพระนิพพานนั่นแหละ เมื่อนั้นก็ล่วงพ้นจากปีศาจคืออาชากราประกายักษ์แล้วก็พ้นจากปีศาจภายนอกพ้นจากปีศาจภายในปีศาจเน้นถึงความน่ากลัวถ้าแทงตลอดพระนิพพานนะไม่กลัวโรคสิ่งเหล่านั้นจะเลวร้ายขนาดไหนก็ไม่กลัวไอ้สภาพที่เป็นบาปเป็นอกุศลก็ไม่น่ากลัวไม่กลัวเสียงร้องใดๆทั้งนั้นเนะเพราะแทงตลอดพระนิพพานเป็นที่ตั้งแห่งความไม่กลัว นิพพานนี่เขามีชื่อหนึ่งก็เคมังเคมังตรงกันข้ามกับพยังทุกขสัจจะทั้งหลายนี่เป็นพยังพระนิพพานนี่เป็นเคมังพยังแปลว่ามันน่ากลัวแปลว่าภัยนะภัยส่วนพระนิพพานนี่เคมังขณะเดียวกันผู้ใดแทงตลอดพระนิพพานก็เลิกกลัวที่ยังกลัวอยู่ก็เนื่องจากว่าไม่เห็นธรรมที่พ้นจากความกลัวเมื่อไม่รู้จักธรรมที่พ้นจากความกลัวก็เลยยังมีความกลัวอยู่ อีกโซนหนึ่งพระองค์ตรัสว่าบุคคลใดไม่ยินดีในอดีตภริยาที่มาหาไม่เศร้าโศกถึงอดีตภริยาที่จากไปเราเรียกบุคคลนั้นผู้พ้นจากกิเลสเครื่องข้องแล้วผู้ชนะสงครามคือสังขามชิว่าเป็นพรามอยู่ครั้งหนึ่งพระสังขามชิ <c oughs> ออกบวชท่านก็ไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็มีศรัทธาแล้วก็ออกบวช เนี่ยท่านนี่ก็แต่งงานก่อนบวชนะนะแต่งงานเสร็จท่านก็ไม่รู้หรอกว่าภริยาของท่านเนี่ยมีคันเมื่อท่านไม่รู้ท่านก็ได้ออกบวชไปพอออกบวชก็ไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่อื่นๆจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็กลับมาอันนี้ทางพ่อแม่ก็คิดถึงลูกชายนะว่าอูทรัพย์สมบัติที่ไม่มีใครดูแลสมบัติในตระกูลจะไปยังไงเนาะจะให้ไปเอจะทํำยังไงให้ลูกชายศึกตีก็ใช้ให้ภรรยาเนี่ยบอกว่าเธอแต่งตัวให้ดีแล้วอุ้มลูกไปด้วยนะ นะพาบริวารไปนะไปชวนให้ท่านเสร็จเสร็จแล้วก็ไปถึงก็อุ้มลูกไปวางเขาต่อหน้าบอกวท่านสมณะท่านจะต้องเลี้ยงเราเลี้ยงเลี้ยงข้าพเจ้าเลี้ยงลูกนะท่านก็นั่งนิ่งใช้จะพูดอะไรก็ใช้เสร็จแล้วบอกสมณะนี่ลูกท่านก็ลูกไปวางไว้ตรงนั้นเสร็จแล้วก็เดินแอบแอไกลๆหน่อยดูที่ท่านจะทํายังไงท่านก็ไม่ดูดูก็ไม่ดูอ่ะนะเสร็จแล้วท่านบอโอ้ยสมณะรูปมนี้ใส่ไม่สนใจอะไรแล้วล่ะก็เลยไปอุ้มลูกกลับคือแล้วก็เดินกลับไป ในพระพุทธเจ้าก็เห็นนะพระพุทธเจ้าเห็นด้วยทิประจักสุกบอกว่าไม่ยินดีในอดีตพริยาที่มาหาเพราะปกตินี่หมายว่าคนทั่ ว, วไปไม่เจอกันนานใช่ไหมไม่เจอกันนานเนี่สังเกตดูแถวสนามบินนะพวกฝรั่งเขาเห็นกันเนี่ยโอ้ไม่เจอกันนา น, นเ น, านี่ยนะเขานก็ทํากันอย่างนั้นแหละแต่ทีนี้ว่าอันนี้ท่านก่อนั่งชฉยใ้ตอนจากไปปกติมจะร้องหม่มร้องให้เช็ดน้ําตากันแต่นี่ก็ไม่มีนะนะมันก็เรียกว่าขามากับขาไ ป, าไปมันเท่ากัน ตอนเธอมากับตอนเธอไปก็มันเท่าเดิมนั่นแหละพราะมาณก็เรียกว่าผู้ที่ไม่มีกิเลสเครื่องคล้องเรียกว่ากิเลสเครื่องผูกเครื่องร้อยเครื่องรัดโซ่ตรวนที่จะร้อยรัดมัดกันเอาไว้อย่างนี้ไม่มีชื่อว่าเป็นคนชนะสงครามที่ชนะได้โดยยากบุคคลนี้แหละเรียกว่าเป็นพรามอนะผู้ชนะสงครามตัวนี้ก็คือสังขามชิเป็นชื่อของพระเทพรูปนี้ด้วยพระเทพร่อว่าสังขามชิเนี่ยนะ ยังคาถานี้ก็เป็นคาถาที่พระพุทธเจ้าอุทานถึงคุณสมบัติของพระสังขามาชิเนนะที่เสมอในโลกธรรมทั้งฝ่ายดีและฝ่ายราย้ายนะนะมันไอการที่เรียกว่าคนที่ตัวเองเคยรักที่สุดมาหาเนี่ยปกตินี่ก็ถือว่าฝ่ายดีที่สุดใช่ไหมไอคนที่เรารักที่สุดจากไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายแต่เนื่องจากว่าท่านเป็นพระอารหันต์ไปแล้วท่านก็เลยไม่ได้คิดว่าขามากระขาไปมันต่างกัน ท่านมั่นคงในโลกธรรมทั้งลาบและก็ความเสื่อมลาบเนี่ยนะพราบุคคลทั่วๆไปการมีพระยาเขาถือว่าเป็นลาบการอย่าร้างการเป็นต้นก็เรียกว่าเสื่อมลาบแต่นี่ท่านก็บอกว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันอันนี้คือคุณธรรมของพระอรหันต์นะอีกสุขาถาหนึ่งพระองค์ตรัสว่าบุคคลจะเป็นผู้สะอาดเพราะน้ําที่คนจํานวนมากพากันไปอาบก็าหาไม่ หมายคือว่าความสะอาดเนี่ยไม่ได้เกิดจากการอาบน้ําถ้าคนอาบน้ําแล้วมันสะอาดได้แท้จริงเนี่ยนะใครจะไปชั่วบ้างอ๋อไปฆ่าคนเสร็จก็ลงไปอาบน้ําก็สะอาดหมดแล้วว่างั้นพ่านใครที่ทําบาปแล้วก็ลงอาบน้ําก็สะอาดหมดเพราะในการอาบน้ําล้างบาปเนี่ยนะมันไม่ได้ทําให้สะอาดจริงหรอกก็ตรงนี้ขัดอะไรนะคานกับวันละทิพราหมณ์เนี่ยตรงตัวเลยอย่างเนี้ยพระแถวเดือนนั้นเดือนกุมภา มกราคุมพาเนี่ยค่ะคุมพาเมล่าอะไรเขาเนี่ยโอ้ยมันไปรวมตัวกันนะนักบวชนี่ยล้านกว่าถ้านักบวชล้านกว่าลูกศิษย์อีกก็สามสี่สิบล้านเนี่ยนะไปรวมตัวเพื่อจะไปอาบน้ําไอ้เรียกว่าตรงแม่น้ํานี่มันบรรจบกันเนี่ยนะเพราะเขาไอ้พวกเครียกว่าตรีอะไรนะเรียกว่าที่อินเดียเนี่ยโอ้ยคนมาเพราะว่ารัศมีประชาชนมาเนี่ยประมาณสี่ร้ยกิโลเมตรอะ โอ้เป oh, ็นเมืองเมืองหนึ่งเลยคือเรียกว่าเมืองที่มาอาบน้ำล้างบาปคือเรียกว่ามีทุกทุกลัดที่ที่ลงมาอาบน้ํำล้างบาปนั่นก็คนล้างบาปนี่เยอะจริงๆนะพาราสีตอนนี้ใครไปล่องแม่น้ํำคงคาก็ยังมีพวกอาบน้ําล้างบาปอยู่เหมือนกันโอ้โแล้วก็กระโดดตุ้มเนี่ยนะก็ไออาบแบบนั้นไม่ได้ทําให้สะอาดจากบาปอะไรจริงหรอกไม่ได้สะอาดจากราคะโทสะและโมหะได้แท้จริงหรอก ส่วนผู้ใดมีว จ, จีสัจจะวิรัติสัจจะและธรรมะที่เหลือคือผู้ใดที่มีวิรติสัจจะมีคำพูดที่เป็นสัจจะเว้นจากความชั่วแทงตลอดอริยสัจจะทำผู้นั้นแหละเป็นผู้สะอาดผู้ที่แทงตลอดอริยสัจเนี่แหละจึงจะพ้นจากราคะโทสะและโมหะคนเหล่านี้ที่พ้นจากราคะโทสะโมหะเรียกว่าเป็นผู้สะอาดบุคคล น, นั้นชื่อว่าเป็นพราหมณ์ นี่ก็เป็นพระสูตรที่กล่าวถึงธรรมของพระอาเสขเนี่ยนะอีกสูตรหนึ่งก็กล่าวถึงคาถาที่พระองค์แรกตรัสรู้พิจารณาธรรมะคือหลังจากที่ตรัสรูน้นนะสวยวิมุติสุขอยุด7วันนะปฐมยามก็พิจารณาปฏิจจสมุบาทอนุโลมมชิมายามพิจารณาปฏิจจสมุบาทปฏิโลมปชิมยามพิจารณาปฏิจจสมุบาททั้งอนุโลมและปฏิโลม เสร็จแล้วพอพ อ, องก็พิจารณาว่าพอรุ่งอรุณขึ้นพ อ, องก็อุทานออกมาว่าเมื่อใดแลโพที่ปักขยธรรมหรืออริยสัจธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้ลอยบาปทิ้งแล้วผู้มีความเพียรเพ่งด้วยลักคนูปนิชานและอารัมณูปนิชานเมื่อนั้นบุคคลคือพระอรหันต์นั้นย่อมกำจัดมารกำจัดกิเลสมารและเสนาของมารเสียได้ดดพระอาทิตย์ ศาสตร์ส่องท้องฟ้าทำท้องฟ้าให้สว่างสวัยอยู่อันนี้ก็เน้นการพิจารณาอริยมรรคพระพุทธเจ้าอุทานปรารถถึงอริยมรรคว่าอริยมรรคเมื่อเกิดขึ้นนั้นจะ ก, กําจัดกิเลสมานและเสนามานอริยมรรคเกิดขึ้นถือว่าเป็นอาอทิตย์อุทัยที่ศาสตร์ส่สองให้สว่างสวัยจากความมืดคืออวิชชาพระสูตรนี้ก็กล่าวถึงคุณธรรมของพระพุทธเจ้านี่ยนะก็พระพุทธเจ้าก็เป็นพระอาเสค่ะ คือผู้มีศิกษาอันเจริญแล้วมีอธิศิรศิกขาที่จิตสิกษาที่ปัญญาศิกขาอันเจริญเสร็จแล้วอีกคาถาหนึ่งพระองค์ตรัสว่าบุคคลใดพ้นโยคาคือกิเลสเครื่องประกอบสัตว์เอาไว้ในวัตตะผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลทรงผ้าบังสกุลเป็นวัดท่านทั้งหลายจงดูบุคคลนั้นซึ่งเป็นผู้มีอินทรีสงบอยู่บรรลุวิชชาสามมีธรรมะอันไม่เสื่อม เทวดาผู้มีศัก์ใหญ่เป็นอันมากเข้าไปยังพรหมวิมานมีจิตเลื่อมใสนมัส ก, การบุรุษอาชาในานมัส ก, การนอบน้อมบุรุษอาชาในนั้นผู้สามารถห้ามกำลังกล่าวาการกล่าวว่าเป็นพรามโดยชาติผู้มีทรรมนำชีวิตคือพวกเทวดาเหล่านั้นเขานอบน้อมว่าข้าแต่บุรุษอาชาในข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านข้าแต่บุรุษผู้ประเสรศิฐข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่าน ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบอนุภาพของท่านท่านอาศัยอะไรเข้าฌานก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยไม่รู้เลยจริงๆนะว่าท่านเ น, นี่ยตอนเนี้ยท่านนั่งทําอะไรอยู่ก็บอกว่าพรหมทั้งหลายที่เป็นทาริยะเบื้องล่างจะไม่รู้การเข้าอรหันตผลสมาบัติเป็นต้นของพระอรหันเนี่ยนะจะไม่รู้พร น, นพรหมก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยน้อมน้อมท่านแต่ว่าข้าพเจ้าไม่รู้หรอกว่าที่ท่านทําอยู่คืออะไรคือเราไม่เข้าใจโดยหลักการก็บอกว่า ปุตุชนจะไม่รู้จิตของพระโสดาบันโลกุตรจิตนะพระโสดาบันจะไม่รู้จากโลกุตรจิตของพระสกทาคามีพระสกทาคามีจะไม่รู้โลกุตรจิตของพระอนาคามีพระอนาคามีก็ไม่รู้จักอรหันตผลจิตของพระอรหัน์ผันบุคคลระดับล่างจะไม่รู้ระดับสูงแต่คนระดับสูงรู้ระดับล่าง นี่ก็เหมือนกันพรหมเทวพรหมเหล่านี้นะเขาก็บอกว่าโอ้ข้าพเจ้าไม่รู้จริงๆว่าท่านอาศัยฌานหรืออารมณ์อะไรในการเข้าฌานเนี่ยนะคือจะไม่รู้จักพร ะ, ะสมาบัติของพระอาหารหันต์ทั้งหลายเพราะว่าพระอาหารหันต์เนี่ยนะเป็นพน้พนโยค ะ, ะ, ะ, ะโยคะกามโยคะภาวะโยคะทิฏฐิโยคะและอวิชชาโยคะไม่มีกิเลสเครื่องกังวลคือราคะโทสะโมหะเป็นต้นสรุปว่าท่านละสมุทัยได้เด็ดขาด ขณะดเดียวกันท่านเป็นผู้สันโดษในปัจจัยสี่เป็นอย่างยิ่งทรงผ้าบังสกุลอินทรีย์ของท่านสงบนีสงบตาหูจมูกเล้นกายไม่ขนองกายไม่ขนองวาจาไม่ขนองใจมีวิชาสามรู้อดีตรู้อนาคตรู้อดีตด้วยปุเพนิวาสานุสติยานรู้อนาคต ด, ด้วยอนาคตตังสยานแทงตลอดอริยสัตว์ ท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมไม่เสื่อมอีกต่อไปท่านไม่รู้จักเสื่อมจากศีลท่านไม่เสื่อมจากสมาธิท่านไม่เสื่อมจากปัญญาทั้งหลายพ ร, าพระราหันเหล่านี้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมไม่เสื่อมผู้ที่มั่นคงดีเช่นนี้เทวดาก็ชื่นชมพรหมก็นับถือท่านเทวดาและพรหมเหล่านั้นก็ไปนอบน้อมนอมัสการบูชาพระอริยเจ้าเหล่านั้น ก็เพราะว่าพระอาหารหันต์ทั้งหลายเป็นที่เคารพของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอีกคาถาหนึ่งภิกษุเหล่านี้เป็นสหายกันในธรรมะของพระพุทธเจ้าในธรรมะอันพระพุทธเจ้าประกาศแล้วคบหาสมาคมกันมานานและสัตธรรมของเธอทั้งหลายเทียบเคียงกันได้เธอทั้งหลายอันกลับปินะแนะนําดีแล้วในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศแล้ว ชนะมารพร้อมทั้งหมู่พลได้ทรงไว้เพียงร่างกายหรือทรงไว้ซึ่งอัตภาพสุดท้ายก็คือมีพระพิสุสองรูปเป็นสหายกันเป็นลูกศิษย์ของพระมหากัปปินะพระมหากัปปินะนี่เก่งมากสอนลูกศิษย์พระมหากัปปินะเนี่ยเป็นเอตทักษะในด้านโอวาดพระพิษุเพราะท่านโอวาดครั้งเดียวบรรลุห้ารอย่างเงี้ยนะนั่นเลยเป็นเอตทักษะด้านการโอวาดนี่ลูกศิษย์ของท่านเยอะ <c oughs> ในลูกศิษย์เหล่านั้นก็มีพระพิสุสองรูปเป็นพระอรหันต์ ท่านก็เป็นสหายกันเป็นเพื่อนกันคบหากันสมาคมกันมานานรู้จากกันมานานสัจธรรมของเธอเทียบเคียงกันได้คือมีคุณธรรมเทียบเคียงกันได้เพราะเป็นอริยะเหมือนกันพระองค์ก็ฉันเรินว่ า, นนะนาเนี่ยนะักัปินะเนี่ยแนะนำดีแล้วในธรรมะที่พระอริยะคือพระพุทธเจ้าประกาศไว้พระอรหันต์ทั้งสองรูปในชนะมานพร้อมทั้งหมู่พลชีวิตของเธอทั้งคู่ก็ อัตภาพสุดท้ายที่เดินได้เพาะงั้นนะสรีระสุดท้ายเป็นบุรุษที่มีสรีระเป็นที่สุดหมายคือว่าสรีระสุดท้ายเป็นกองทุกสุดท้ายถ้าบอกพูดแบบอะไรนะกายก็คือโรคาโตเนี่ยนะก็แปลว่ามะเร็งก้อนสุดท้ายทิ้งก้อนนี้แล้วไม่ถือเอาก้อนใหม่อีกต่อไปแล้วสลายมะเร็งก้อนนี้แล้วก็เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะแต่ถ้าเราหายเด็ดขาดแล้วแล้วจะได้ทานยาได้ยังไงบางคนก็ห่วงกันนะถ้าเราเนี้แล้วใครจะมาเอาใจเราเพางั้น บางคนนี่กลัวว่าจริงๆเลยนะกลัวจะปรินิพานห่วงมากเลยนะบอกเขายัางไม่อยากบรรลุเขาว่ากันนะโดยที่ยังไม่รู้ไอบ้บรรลุมันคืออะไรว่าเขาไม่อยากบรรลุเขาว่ากันเขาไม่มีธุระรอเขาว่างนันไม่เชื่อไปคุยกับเขาดูที่คุยได้แต่เฉพาะตรงนี้แหละและคุยให้ถูกเวลาเลยนะคุยผิดเวลาก็ยุ่งอีกเหมือนกัน <c oughs> อีกสูตรหนึ่งที่กล่าวถึงคุณธรรมของพระอรหันต์ว่านิพานอันเป็นเหตุให้พ้นทุกข์ทั้งปวงนี้บุคคลไม่สามารถ บรรลุได้เพราะการกระทําความเพียรที่ย่อหย่อนและไม่พึงบรรลุได้ด้วยกําลังที่น้อยส่วนภิกษุน่มรูปนี้เป็นอุดมบุรุษคือบุรุษผู้สูงสุดชนะมารพร้อมทั้งหมู่พลได้แล้วทรงไว้เพียงอัตภาพสุดท้ายก็หมายถึงว่าการบรรลุหรือการแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะไม่ใช่ทําความเพียรย่อหย่อนแปลภาษาไทยว่าไม่ได้บรรลุแบบเย่อหย่อแ่เนี่ยนะนึกอยากทำก็ทำนึกไม่อยากทาก็ไม่ต้องทํา เอาแต่ใจตัวเองเป็นต้นแล้วจะบรรลุเนี่ยไม่มีทางห่า ง, งันะท่านผู้ที่มีกําลังน้อยเนี่ยคําว่ากําลังน้อยเนี่ยคืออะไรกําลังคือศรัทธาในน้อยเนี่ยกับบรรลุไม่ได้การกำลังใจอะนะศรัทธาก่อใหม่มีความเพียรก็น้อยสติก็อ่อนสมาธิก็ไม่มีตัญญาก็ขี้เกียจเหลือกเกินเนี่ยนะบนรรลุได้ยังไงนาะว่างั้นมันบรรลุไม่ได้หรอกพรานผู้ที่บรรลุพระนิพพานแทงตลอดนิโรธสัจจานั้น บรรลุด้วยความเพียรที่บากบันมั่นคงด้วยกําลังศรัท ธ, ธาวิรยิยะสติสมาธิและปัญญาในทุติยทศโพลสูตรพระ อ, องค์บอกว่าการบรรลุธรรมที่เลิศไม่ได้บรรลุด้วยข้อปฏิบัติที่เลวนะนั่นก็อธิษถานนี่บอกว่าศรัท ธ, ธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาเลวๆบรรลุพระนิพพานไม่ได้บรรลุธรรมที่เลิศคือโลกุตระธรรมที่เลิศไม่ได้จะต้องบรรลุด้วยคุณธรรมที่เลิศ บางคนมาฟังอย่างนี inals, <months S 2> thousand, there, ้ก <exponential pause> really okay. like ็เลยปฏิบัติใหญ่เลยไม่หลับไม่นอนสมวันเจ็ดวันวันที่เจ็ดนี่เบลอเต็มทีะก็เนื่องจากว่าแยกไม่ออกว่าไอ้ข้อปฏิบัติจริงๆมันคืออะไรนะเจอยุคนี้เข้าไปนี่เรียกว่าอะไรนะจะใช้คำว่าปวดหัวมันก็น่าเกลียดเจอยุคนี้เข้าไปฟังแล้วเศร้าอีกสูตรหนึ่งพระองค์ตรัสว่าภิกษุเชื่อว่าโมกขราชพระโมคขราชเนี่ยนะเป็นเอตทัคคะในการอยู่อย่างเศร้าหมอง นะพระโมกขราชนั้นมีผิวพันธุ์ไม่ผุดผ่องก็คือร่างกายของท่านเนี่ยไอเป็นเป็นหินอ่ะเป็นเหินเนี่ยตามตัวเต้มไปหมดเลยมีจีมอจีวรของท่านก็เศร้าหมองบางทีท่านก็ไปนั่งหมกหมกอยู่กองฟางอะ่ะนะกองฟางเนี่ยใครไม่เคยนั่งไม่รู้เรามันคันแค่ไหนทีนี้ผิวของผิวของท่านเนี่ยเป็นเป็นตุ่มตุ่มตุมๆุ่มตเรียกว่าเป็นเป็นอะไรนะเป็นหินอ่ะเป็นหินเต้มตัวไปหมดจีวรก็เศร้ามองคล้ำ หมายความว่าถ้าดูภายนอกไม่รู้มันจะเป็นหน้าเรื่มใสตรงไหนคือเศร้ามองมากเลยแต่เป็นเอตทคฆาในเรื่องความเศร้ามองพระพระพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นเลิศในการเป็นอยู่อย่างเศร้ามองว่าะงั้นท่านนี้เป็นผู้มีสติทุกเมื่อก็เป็นพระอรหันต์ผู้มีสติสมบูรณ์เป็นพรขีนาสพสิ้นกามาสะวะภวาสะวะัติฐาสะวะและอวิชชาสะวะท่านปราศจากกิเลสที่ประกอบไว้ในวัตตา เสร็จกิจสิบหกแล้วไม่มีอาสะวะสี่มีวิชาสามมีฤทธิ์และฉลาดในการรู้วาระจิตของผู้อื่นก็แปลว่าอะไรแปลว่าพระโมกขราชเนี่ยนะดูภายนอกไม่แบบเศร้ามองสุดๆจีวรก็เศร้ามองผิวก็หิดเต็มตัวไปหมดนงงนาานเนี่ยอภิญยาหกว่างั้นคาถาเนี่ยหมายถึงว่าท่านมีอภิญยาหกวิชาสามบวกปรจิตะบวกแสดงฤทธิ์ได้ บวกบวกอะไรอีกขาดนะที่พระโสดาไม่พูดที่พระโสตมาอันเดียวนะสรุปว่าท่านได้อภิญญาหกชนะมารพร้อมทั้งหมู่พลได้แล้วทรงไว้ซึ่งร่างกายอันมีในที่สุดเนี่ยนะที่คาถาของพระโมคคราชที่พระพุทธเจ้าตอบแล้วพระโมคคราชฟังแล้วบรรลุนี่ก็เป็นคาถาที่น่าสนใจนะท่านจงพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์เป็นต้นนะ ก้อนี้ยกย่องถึงคุณธรรมของพระอาหารหันต์คือพระโมคขราชว่าพระพระโมคขราชนี้ท่านนี้ไม่มีกิเลส ท, ที่ประกอบไว้ในวัตตะเลยท่านก็มีอภินญาหกไงนะแต่ทกิจในอริยสัจสี่ประการเสร็จแล้วทำกิจ16เสร็จแล้วไม่มีกามาสะวะภาวะสวะทิฐาสะวะและอวิชชาสะวะท่านกำจัดอวิชชาที่ปกปิดอดีตกำจัดอวิชชาที่ปกปิดอนาคตกำจัดอวิชชาที่ปกปิดอริยสัจ ขณะเดียวกันเนี่ยนะท่านรู้ใจผู้อื่นด้วยคือคําว่ารู้ใจผู้อื่นนี้ถ้าเจโตปริย า, ยานขนานแท h, ต้ตามตามคัมภีร์นี่หมายถึงว่าสมมุติว่าตรวจดูวราระจิตเนี่ยรู้เลยว่าภายในสิบห้าวันเขาคิดอะไรรู้เลยว่าอดีตที่ผ่านมาเจ็วันที่แล้วเขาคิดอะไรอีกเจ็ดวันข้างหน้าเขาจะคิดอะไรบ้างการรู้อย่างนี้เรียกว่าเจโตปริย า, ยานในคัมภีร์อีกสูตรหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเพีก้กสูตรทั้งหลาย ตถาคตะนะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหลุดพ้นแล้วเพราะเบื่อนายเพราะตายกำนัดเพราะดับเพราะความไม่ถือมั่นในรูปคือไม่ถือว่ารูปเที่ยังศกงามยั่งยืนและอัตตาเนี่ยนะบัณฑิตทั้งหลายเรียกว่าสัมมาสัมพุทธ แม้ภิกษุผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาที่เป็นสาวกของพระองค์เนี่ยนะก็หลุดพ้นเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะดับเพราะไม่ถือมั่นรูปอันนะว่าเที่ยงสุกงามยั่งยืนและอัตตามไม่ยึดถือว่าเราว่าของเราเป็นต้นเนี่ยท่านเหล่านั้นผู้หลุดพ้นอย่างนี้เรียกว่าปัญญาวิมุต ภิกษุทั้งหลายพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหลุดพ้นแล้วเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะดับเพราะไม่ถือมั่นในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณบัณฑิตทั้งหลายเรียกว่าสัมมาสัมพุทธผู้ตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องและด้วยพระองค์เองส่วนภิกษุผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาหลุดพ้นเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะความไม่ถือมั่นในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ เราเรียกว่าปัญญาวิมุตตในเรื่องนั้นอะไรเป็นความผิดแปกแตกต่างกันอะไรทำให้ต่างกันระหว่างพระตถ า, าคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระพิโสผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาต่างกันตรงไหนเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็หลุดพ้นจากอุปาทานขันห้าเพราะเบื่อหน่ายคลายกําหนัดเพราะความดับเพราะความไม่ยึดถือขันห้าว่าเที่ยงสุกงามยั่งยืนและอัตตาแทงตลอดอริยสัจ พระสาวกทั้งหลายที่เรียกว่าปัญญาวิมุตต์ท่านก็ทํากิจเหล่านี้เหมือนกันสองท่านนี้ต่างกันตรงไหนพระภิกษุทั้งหลายก็ตรัว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมะของข้าพระผู้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นหลักว่าง้นเธอสรุปว่าพระองค์ตรัสยังไงข้าพระองค์ทั้งหลายก็จักจาไว้เช่นนั้นก็คือให้พระองค์แจกอธิบายเถอดพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย พระตถ า, าคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทำทางที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำให้รู้จักทางที่ใครๆไม่รู้จักบอกทางที่ยังไม่มีใครบอกเป็นผู้รู้จักทางรู้แจ้งทางและฉลาดในทางอันนี้คือพระตถ า, าคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นอย่างนี้ส่วนภิกษุทั้งหลาย เหล่าสาวกในบัดนี้เป็นผู้ดำเนินไปตามทางเป็นผู้มาตามในภายหลังนี้เป็นแลเป็นความผิดแพกแตกต่างกันทำให้ต่างกันระหว่างพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับภิกษุผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาคือพระพุทธเจ้าในฐานะศาสดาภิกษุทั้งหลายผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาในฐานะสาวกพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เนี่ยนะ ทำทางที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหมายคือว่าตั้งแต่ศาสนาพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะอันตรทานศูนย์หายไปจากโลกทางก็ชื่อว่าหายไปทางคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์ก อ, อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ถือว่าหายไปตั้งแต่ศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเสื่อมไปพระองค์เนี่ยทำทางที่หายไปนั้นแหละที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทางเหล่านั้นที่ คนเคยรู้จักบัตรนี้ไม่มีใครรู้จักพระองค์ได้มาทำให้รู้จักทางที่ที่ไม่มีใครรู้จักแล้วพระองค์บอกทางที่ไม่มีใครบอกเพราะทางนี้ถ้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้บอกก็ไม่ใช่ฐานะที่จะบอกทางคือมักมีองคปดพระองค์เป็นผู้รู้จักทางพระองค์เป็นผู้รู้แจ้งทางและพระองค์เป็นผู้ฉลาดในหนทาง ความฉลาดของพระองค์เนี่ยนะจนสามารถบอกบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยประกาศทำให้ง่ายซึ่งอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดที่เป็นทางที่ทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์เพราะทั้นสาวกทั้งหลายเหล่านั้นถึงจะบรรลุเพราะปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำนดเพราะความดับไม่ถือมั่นในอุปาทานขันห้าแต่ถึงอย่างนั้นท่านเหล่านั้นก็เป็นคนเดินตาม ทำตามปฏิบัติตามสาวกทั้งหลายเป็นผู้ทําตามปฏิบัติตามนัม้นความที่พระพุทธเจ้ารู้เองโดยชอบโดยถูกต้องโดยไม่มีผู้บอกและยังสามารถเอาข้อปฏิบัติเหล่านี้มาบอกแสดงแต่งตั้งเปิดเผยทําให้ง่ายแก่สาวกอันนี้คือความสามารถของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนสาวกทั้งหลายท่านมีความสามารถในการ ปฏิบัติตามทําตามในที่สุดท่านเหล่านั้นก็ตรัสรู้ถ้าจะกล่าวไปแล้วสองท่านนี้คือพระพุทธเจ้ากับสาวกต่างกันความเป็นพระอรหันต์ไม่ต่างกันแต่ต่างกันอีกคนหนึ่งในฐานะผู้สอนอีกท่านหนึ่งในฐานะผู้ปฏิบัติตามอันนะอีกฐานะหนึ่งในฐานะผู้ตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องด้วยพระองค์เองอีกท่านหนึ่งในฐานะ ผ, รระนนนนะผู้ฟังแล้วตรัสรู้ตาม เรียกว่าต่างกันว่าพระพุทธเจ้าเป็นผ้าอรหันตตัสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะส่วนภาษสาวกทั้งหลายท่านเหล่านั้นนะพวกปัญญาวิมุติทั่วไปเรียกว่าสาวกกับพุทธะอันนี้คือความแตกต่างกันส่วนเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังก็เป็นสุตตะพุทธะเนี่ยนะเป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังการได้ยินได้ฟังเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาการฟังที่สมบูรณ์บริบูรณ์โดยเฉพาะการฟังว่าพระพุทธเจ้ากับสาวกถท่านนำอะไรกัน คือท่านผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่า ย, ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับ<น>เพื่อไม่ยึดถือขันห้าว่าเที่ยงสุกงามยั่งยืนและอัตตาไม่ยึดถือขันห้าว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราอันนั้นคือคุณธรรมของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเมื่อเราฟังอย่างนี้ก็กำหนดทิศทางได้เลยว่า การเจริญการปฏิบัติของเราทั้งหลายทำอย่างไรจะเบื่อหน่ายในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในภายนอกหยางละเอียดเลวประนีตไกลและใกล้ไม่ยึดถือสิ่งเหล่านี้ว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดเป็นต้นเมื่อเรารู้หนทางของ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสาวกเราก็จะได้กำหนดหนทางว่านี้คือหนทางของเราที่จะเดินตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นน ะ, ะที่กล่าวไปทั้งหมดนี่คืออาเสขภาคียสูตรสูตรที่ว่าด้วย ธรรมะของพระอเสขะเรียกว่ากองคุณธรรมของพระอเสขะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิดการปฏิบัติตัวของท่า น, นการละบาปอากุศลของท่านความที่ท่านเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะเป็นต้นเนี่ยนะดังที่เรากล่าวไปแล้วพันเวลาที่เราอ่านเจอตรงไหนเราก็ไม่ต้องไปหนักใจเพราะบางแห่งเป็นข้อความ ที่ประกาศถึงคุณธรรมของผ้าหาันคนที่จะเข้าใจคุณธรรมของผ้าหันได้ดีคนนั้นก็เป็นผ้าหาันเวลาเราเรียนเรื่องคุณธรรมของผ้าหาันเราจะได้ไม่ป่วยไงผมไม่เรียนแล้วพอเรียนไม่รู้ว่างั้นเหรนีย เห็นรู้เรื่องเลยว่าง้นอาจะไปรู้ถ้าคุณรู้คุณก็เป็นผ้าอาหารสิมันก็ดีแล้วที่ได้ยินได้ฟังรู้กำหนดทิศ ท, ทางได้มันก็วิเศษแล้วเนี่ยนะไม่ยงนั้นก็ยังไม่รู้ว่าปฏิบัติทำไมปฏิบัติให้เป็นอะไรปฏิบัติเพื่ออะไรรู้อะไรไม่รู้สักอย่างอย่างน้อยที่สุดก็เป็นบุญหูแล้วว่ะที่ได้ยินได้ฟังท่านบอกว่าสวนานุตริยะว่างั้ย น, นะ เป็นการฟังที่เป็นการฟังที่ประเสริฐเป็นการฟังที่สูงสุดเป็นการฟังเพื่อล่วงพ้นโสกปริเทวทุกโทมนัตและอุปาญาตเป็นการฟังเพื่ อ, อบรรลุอริยมรรคเป็นการฟังเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งก็คือฟังครามสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้ยังไม่เข้าใจเพราะเรายังไม่ได้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมเหล่านี้หรือว่าอนุรักษ์นิยมไปแล้ว ยังอ่ะนะยังไม่อนุรักษ์นิยมขนาดนั้นหรอกอนุรักษ์ความเป็นปุตติชนนะอย่างเดียี่ยมบางคนนี่เป็นอย่างนั้นนะอนุรักษ์จริงๆก็เรามันปุตติชนกันนะพูดแบบแหมอนุรักษ์หัวชนฝานเลยนะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่ยอมพลิกแปลงมันปุตติชนมันต้องตกนรกนี่เชื่อตัวเองว่าจะตกนรกด้วยสิแน่ก็เลยไปกันใหญ่เลยค่ะเนี้่บอกเฮ้ยสาธุคอยมันห่างๆกันหน่อยดีที่สุดเนยนะเดี๋ยวไปติดเชื่อนั้ น, น, นเข้ามาแล้วเสียหายมากสําหรับช่งชวงเช้านี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อน